พระธรรมเตสนาหมโหสถจากจอมปราถแห่งมิถิลาภูติ18ฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปางหฮงฉลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับพื้นเมืองโดยปล่อยอินสมชัยชมพูป ร, รียธรรมหุกปรยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจีงยงไย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะโสเกวะโตสหวาปริวะเรนิกะกาลิคันโตติ <c oughs> สาธาโวดุราสะฟูริตาตั้งลายตั้งนิ่งใจหนุ่มเท่ามีสัตวทาเก้าเป็นพะทานตั้งอาจารย์ปู่ป้าพร้อมทวนนาเอาอาปากันมาแต่เจ้านั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อ คำบาดคอบาลีวัโซเกวตัตโตดังนี้เป็นตนบัตหนีแด้เตอโซ <c oughs> เกวัดต่กันยามดีบ้าไข่ปรหิตยาใหญ่เกวัดอาจารย์ก็ปาปริวานวนมากออกไปจากนคร <c oughs> กันเตียวจอดดันสอดดาจากกรดเมืองมีทิลานอพุทธาบุญใหญ่ก่อหูไขความในจริงขันดิ้งใจตืดเล่าว่าอาจารย์ปุถาบาจูบอเปิงใจกูลำหมกย้อนเทาสะกอกาลีจักบาดียอมอ่อนหรือเอาไรา่สนตัวยมา ในปาราณีไซหากว้างใหญ่เลือลายกันมันพันภายมารอดใดสตอดตาหันยังของสำคัญหน่อยใหญ่มันที่ยังจือไว้ในใจจักมีไพยเบื่อซอยติดจองหอยตัวมากวรดังดาเบียดไว้อย่าือมันใดเล่งหัน นอขุนท่านเกิดแล้วออก่อฮือหัวแก้วโยธาแต่งมักากตั้งไตเอาศาสตร์กาลาบังไว้จู่ไยตั้งผันภายใหญ่กว้างสองปางข้างตึบตันบ่อฮือมันมีจ่องพอหันห้องแดนไก่บนตั้งไปนั่นใส่ฮือมุงไว้ตันตา ด้วยศาสตร์กะลาไข่จอดพอบลอดตั้งใดคือคนเตรียมใจแกว่งใจแต้มรูปไว ห, หนา้านา <c oughs> รูปดงนาเทือนทรรูปแม่น้ำนาตีรูปกินนารีแอนฟ้อนไข่จูบอลตั้งไปตั้งมอใหใส่น้ำ กวยอ้อยพัมใหญ่เรียงแต่ผาตูเวิยงเป็นเก้าธ า, าบต่อเต้หาห่อคำนอคุณทำบุญใหญ่ฮือแต่งพร้อมไขจุพาการเกวัตนาจา์ผู้เท่ากันเตี้ยวเข้าไปใไนพอตั้งไปเป็นจ้องก้อยเตี้ยวต้องพันพายมันกึดหมยจักพอฮือแจ้งต่อสายตา ว่าไหนปารานีใสมีของน้อยใหญ่แดนได้ลวดบ่อสมใจสักยาดย้อนมีศาสตร์กาลามาบังตาจูข้างบ่อมีวางเล่งหันต้ภาภพยพันและสวาดยังรูปแต้มวาดนานานดูง้ามตาบ่านอนยมันจืนจ่อยเจยบ้านบ่โมโหสดผู้ะนานชะลาด กับเจ้าภาศาสตร์อจันต์แต่งรับมันผู้เทาดังตอนรับเจ้าปารากกอยไก่กาายบาทพอรูปแต้มว่าตัวไปส่วนเจ้าเวียงใจไผ่ไตใด้หูไขอาการว่าเกวัตอาจารย์ผู้เทาปารโหหิตาเต้าเจ้าจุลนี นำสานดีมารอดถึงเต้าหยอดวิเตหาราชาเพื่อทุนสากมเกากดใบเล่าขึ้นวันอันเจา้าหอจันจุลนิราชจากปั่นนางนาธที่ดาผู้โซภาบ่อเศร้าแกาเา่เต้าเจ้าเมืองเราจุม้มหมู่เขาหน่อยใหญ่บ่คึ้นไข่หันไย อ่างมีใจจืนเยา้าหรือไขดาวทานี้ส่วนปู่กาลีบาปเ้าคือเกวัดเทาอาจารย์กอปาปริวานมวนหมูขึ้นไปสู่หอคำย่อมือตั้มต่างเกาไวเต้าเจ้าปุริว่าบัดนี้เต้าจุนละนียศดใหญ่ใจข้ามาไวทุนสา ว่าจากปันราทิดาหยอดซอยงามจืนจ้อยปัญจาระจันทีือเป็นเตวีแนบข้างรวมก่อสร้างปา ร, ราคือข้าเต่าเจ้ากับนักพาดหนุนเนาเสนาบดีจากปุริแต่ต้องไปสู่ห้องอุตรปัญจาล ะ, ะกร รับสลีบังอ่อนกินกู้มารวมโยผางกาส่วนพญ า, าวิเทหาราชฟังถอยวาดมันจาบ่อปิจารณาสันส้นทรงเม่นจ้องตามธรรมมีตันหานำเกิดตองไดนแห่งห้องหอระไทบ่อหันไผยอันใหญ่ จักเกิดใดมีมาเต่าปีญาจองหอยอยังสาวอ่อนน้อยชมสีพันยามีแต่ก่อนก็ลีซ่อนหายห้นดังหัวบ่อถึงบนจันฟ้ายัางข้างฝ่ามือเดียวจริงรีบเรียวตานเล่าว่าดูราปโารฮิตาเก้าเตรียมใจ จุงไปเกา่าหือมโหสดหูเร็วปันย้อนตัวมันนันเล่ากับตันเจ้าอาจารย์ได้กระตำการต่อตากลางไพฟฟาเต็มสนามเป็นธรรมะสงครามแต่ใส่ตามริทไทกองทำจุงไปใครกำมก่าวทอยติดสืบซอยไม่ทีเป็นบิดีบอกพ่ ลืมเรื่องก่อนอ่อนหลังกันมันยั ง, งดโตดบ่อคิ้วโคดเครื่องกาเราจากปาริภาวตามต้านเกาไข่ปั่นคือนำมันไปไว้ซึ่งเต้าไทยจุลณีแล้วน้ำนารีกินกู้มาเป็นกู้ห่อในเทาจังไรบาไปฟังเต้าไทยไข่ปั่นก็เรียวปั่นบ่อจ้า ลาเจ้าฟ้าวิเตหราาและออกไกลก้าไปสู่ยังที่อยู่นอมูนีก็มีหันแลวนะส่วนนอกปุธานมหนาว่วาปุ่าจาักมากก็แสงกินยากุ้นใหญ่อานัดไว้เป็นมายแก่สหายหน่อยใหญ่ คือหวัวไขอาการวากันเกวัดอาจารย์มาสู่สู่จุงโอตามีว่าเสนาบดีนั้นเลากินยาแต่เจ้ายำยไงคุย่าลายเลือลากหมอบอกฮื้อปากไขาจาแม่นตันมาติไก่ก็อย่าได้ไข่กัมโนคุณทำน้อยนาดกล่าวเสียงขาดสุดปลาย ก็คือใจแก่นใจนำขี้งัวไม่นำนามหาตาฝ่าเฮือนใหญ่คือหมดไข่ไปในตังกาไก่เตียวต่องโปบนปืนห้องเกหาก็ฮือตาลวบหลาดบ่อคือขาดแดนไดเสารไปในน้อยใหญ่เอาน้ำมันตาไว้เป็นทายของใจลายจ้องตังตังตีนั่งไปใน เือขนไปสุกซ่อนไว้ในบนไก่ตาเว้นมันจ่าของน้อยอันหนอพระยอดซอยจินดาวนจักแสงนอนยังจอดในห้องหยอดเฮือนตนดอตาสะปนบนใหญ่เฮือแต่งไวสะปันแล้วภายพันไว้ว่องเข้าสู่ห้องหอตนนอนอยู่บนจองน้อย ดังอิดมอยนำนาบอกครจ่าออกปากดังลำบากเลือลายจุ้สะหายแกวนใจวังแวดไววเป็นปริวารเกวัตอาจารย์ผู้เท่ามาหอดเขื่อนเจ้าบุญนาก็ใครจถาทำเล่าว่ามโหสดเจ้าไปไหน เขาก็ใรเกล่าวจี้ว่าวันนี้เสนาบอดีเปียที่มีมารอดใดนอนจอดเศร้าสาหมอได้จ่าห้ามขาดบอกเฮโ อ, อกาสจะใครกันตันไปตีไกลข อ, อย่าใดไขคำปูอาทำแบบเศร้าก็ขอเข้าไปดู ผ่านผ้าตูหลายหลากเจ็ดผ้าตูหากเป็นายจริงพันภายไปรอตีเจ้าจอดนอนในเจ้าใส่ใจหยดซ้อยหันเท่าถอยพดมาเงียดังจักจารับตอนตามรีดก่อนโบราณจุมพารีวานอยู่ไกลก่อห้ามไว้บัดเดียวว่าเจ้าอยากจะเลิ้วออกปาก เพียที่หากยังมีหมอไขว่าตีห้ามไว้ขออย่าไดจะไข่แม่นคนใดมาไกลอย่าหือดใดไข่กัมปูอา ร, รมบาปเศร้ายืนพอเจ้าได้ได้แลตาหมายจากนั่งโบมีเตียงตั้งอจสนา จักอิงฝ่าตีไกมีแต่ขี้งัวไม้เปี้ยแล้วเสาเป็นแถวใหญ่น้อยนำมันย้อยลงมาปื้นเกหาใหญ่กว้างตาขีงัวไว้ตั้งคงจักนั่งลงยินอยากปู่เท่าหากยืนได้เบินดานหลายแต่ใส่เจ็บปวดไข่กานยา มันจักจะาบอกเล่าลายังเจ้าบุญมีจริงใครว่าตีออกปากว่าข้าขอภาคนี้ลาขอเจ้าบุญลาหยดใหญ่หายเหมยใครเรียวไว้ใจเตรียมใจเกวนใจอันอยู่ไกลนำนาฟังมันจาก่าวยลาเจ้าหยดซอยบุญมี ก็ไขว่าวตีคำราบวาดูราเท่ายาบจังไรตั้นบ่หื้ไข่เกาอูมึงบ่หูกำรคนใจาตารนกำเศร้าหมายคือเจ้ากูตายเขาตั้งลายแวดเฝ้าอยู่อุกปู่เทาบัดเดียวพ่องก่อเรียวไว้วาดเอาแสฟาดสันหลัง พงเอาตินขานังยังกนเหือเทาหล่นพระนีเทากาลีไว้ว่องนีออกห้องไปปันดังกว่างดงตันนี้าค้นออกจากปากราชสีมันรีบหนีไปไวสึงเตาไทยวิเตหราาส่วนพญเจ้าฟ้าหันมันปอกนาขึ้นมา ก็กินตานาเกิดขวาดว่ามโหสดนักพาดเซนาบดีเตียงมีไม่ทีรักกอดกับเทายอดอาจารย์จิงมีราชาองค์การทำเล่าซึ่งปูถเถ่าจังไรว่าตันกะไกไปสู่ถึงตี้อยู่เซนาบดี มันไขว่าตีบอกเราซึ่งอาจารย์เจ้าสันไดเกวัดไว้ก้มเก่าว่าข้าแด่เต้าเป็นเจ้าแกรีปนจุมหมูคนใหญ่น้อยต่างเก่าท้อยไขจาว่ามะโหสถนนนาองคอ์ จ, จบชาลาดเตือลายเต้าจะได้เป่าจ้อย บ่อสมทอยกำจ่าข้าไปหาตีไกดังเงาใบาดีีบอกให้าาวาตีต้านต่อมื่นตาพ่อได้ได้บ่อปันไม่หือดังบนจองตังอานาข้าจักจกาเก่าหือมันหูอาการจุมปริวานแวดไกก่อห้ามไว้บัดเดียว อาจิงเรียวปิกปอกวายนาออกขึ้นมาเสียเวลาแต่สดบด่ยยดได้ประโยชน์อันใดเจ้าหอใจวิเตหาราชก่อคืดขวาดขันิ่งไนว่าร้อยสายใจลุกเต่าคือมโหสดเก้าเสนาบดี พญามีองค์อาจจบชาลาดเลือลายเตียงหันลาลเหตไรจักห้อยไต้ต้วมาจริงบอดจ้าต่อเล่าซึ่งปรหิตาเทาแดนไกหรือเจ้าหอใจจุลนิราศแสงเอานางราจธาทิดาผู้โซฟาน้อยนอเป็นเยื่อล่อเราไปกันเร็วไวรีพาว ไปสู่ดาวเมืองมันมันเตียงฟันคำคาบอใดอวายนาขึ้นมาเจ้าปราวิเตหาราชกันคกิดขวาดขนินงในหลวดมีใจไววันบ่ตั้งมันเววาตุกเครื่องกาบ่โนยเหือไหลย้อยตามตนจริงเื้อคนผู้ฉาลาด คืออามาตางตารีบแต่งดาเฮือนกวางที่จิมขังห่อใจเฮปรโรหิตาแด่นไก่ผู้เท่า <c oughs> คือเกวัดเก้า อ, อาจารย์กบปารีวานมวนหมู่ได้จอดอยู่เสาซาก็มีหันและนะ อาทาในกาละนั้นเล่าสีนักผาเทาอาจารย์ก็จากสถ า, านตี่อยู่ขึ้นมาสู่รงกันอภิวัณ น, น้อมไหวส่งเต้าไทยวิเตหราช อันพงเววาไววันบ่อตั้งบันเรร้นใจหนึ่งเววนดันสอดกัวมวยหมอดบำบายใจหนึ่งใบไฟห้อยยังสาวน้อยนารีจิงไขาวาตีทาเลาสึงปู่เท่าเสนากะอาจารย์ว่าเต้าปููบ้านจุลนีราชจักยุกนางนาทิดา เมื่อเป็นจารยารวมซ่อนอยู่ในบ่นปุรีตันอยังหันดีหรือรายจักห้อยไตยตุยมา <c oughs> มันก่อทุนสากรมเก่าว่ากาแด่ตเต้ า, า, จรราเจ้าปุรียามีสริวิเศษมาสุเตสีมาจักรอราเนจ่า เรือไล่กว่าขึ้นหลังย่อมผิดยัง้งแบบเบารอยรียดเกา่าโบราณขอเตา้าผู้บ้านอยากจะนำนางนอลาจอมขวัญมาด้วยปันรีพารวมแต่นเตา้าเซเวซีบอ่อหอนมีเหตุไรจักห้อยใ ต, ต้ตววมา เหตุสองปาราเมืองใหญ่เป็นแผ่นดินไตเดียวกันเจ้าหอจันบีเตหาราดฟังถ้อยวาดมันจา้าสมานาจมจืนปีติตื่นเจยบ้านจริงธามสามอาจารย์แถมเล่าเขาก้มเก่าไข่ปั่นว่าขอเจ้าหอจันอย่าจา้า ได้รีบกว่าพันภายคาตั้งลายนีใสจักจอมเต้าไทยตัวไปกันเจ้าหอใจจุลนิรัตถวายนางนาฏธิดาผู้โสฟาหล่อเบาแก่เต้าเจ้าผู้บ้านเตียงปั่นอลังการเครื่องงาแก่ผู้คาตั้งลายอุนตาลายน้อยใหญ่บ่อหอนได้มีมา คนจักจ่าเหล่าเศราย่อคุณเต้าเมื่อนานเต้าผู้บ้านวิเตหาราชฟังสามนักภาตจังไรได้จกใครเก่าหลวดจื่นสูยินดีตันหามีมืดบอดบอกกึดรอดอันตรายบ่ฮู้อุบายถอยไร อันตานแต่งไห้ดวงพางวังแต่นางน้อยนออันตานเอาหล่อไปฟันบ่กึศหันเหตุไรจักห้อยตายมาปานส่วนเกวัตอาจารย์ผู้ใหญ่มาอยู่ได้สามวันก็ภายพันไปไว้สึ่งเต่าไทยราชาว่าขอลาขึ้นสู่ ยังี่อยู่เมืองหลังเต้าได้ฟังมันก่าวใจจืดแย่ใจบ้านยกปั่นนาการหลายแหล่ยื่นปั่นแก่ตัวมันมันเรียวปั่นรับไว้แล้วขับไว้ทุนสาว่าขอมะฮาราจ้าเจ้าตนเป็นเก้าเวียงใจจุงเรียวไว้อย่าจ้า ไปตามขา้ขาไขกำนำนางบุญนำ่อเน า, นามาเป็นเก้าเตวีโจกลาบมีมารอดบอกกวนละทอดวางตำย่อมผิดธธ ร, รมแบบเบารอยริยดเก่าเดิมมากันทุนสาเมียนขาดก่อละเต้าธิราชผู้บาน ป่าปารีวานมวลมากออกไปจากเวียงใจด้วยเร็วไว้รีบเผาเปื่ อ, อกเราเมืองมันก็มีหันและนะาโปธิสตัตโตส่วนโปธีสัตตนองค์อาจจบชาลาดเหนือคนหูว่าตนปู่เทคือเกวัดเก้าอาจารย์ ป, า, ปาริวานมวลมากออกไปจากเพียงใจก่อกาไกไปไว้สึง่งเตาไทายวิเตหราาเ <c oughs> จ้าปาราชิทีราชท่านเจ้าน้อยนาดบุญมีจริงไขวาติถามต่อว่าดูราเจ้าหนอคำาจ เราตั ư, ph ph àn, ì, thi, can, ้งหลายทวนหาคือเราเจ้าฟ้าผู้บ้านกับอาจารย์ตั้งสี่คืนสั้นที่จอมกันต่างหันตันจูผู้ว่ากวรไปสู่อุตระปัญจาละนากรนน้ำใสสะม่อนน้อยอ่อนมาสู่บ่อนหอจัน์เจ้ายังหันจอมูหรือโบสูเพิงใจ จุงจะไข่เกาจีฮือแจ้งทีบัดเดียวเจ้าก็เรียวไว้กล่ า, าวว่าบอกวนเต้าหอดใจจักกะไก่เตียวต้องไปสู่ห้องอุตรประเทศลานากอน กันตนผูท้อนเจ้าฟ้าบ่อเจีขาขายคข้าไขปั่นเตียงดับพันมวยหมอดบ่ได้รอดดีหลีข้าปิจารณาดีสั้นทีบ่มีตีสังกาอุปปา้าเพียบไว้คือพานใหญ่ดงไพรมันมีใจไฟเอื้อไข่ได้เนื้อกวางฟ้านเป็นอาหารเลี้ยงไสจริงผูกนางเนื้อไว้เป็นไม้ ตีสั้นปลายน้อยใหญ่จักเตียวไตไปมาเอากาญาลีซ่อนอยู่ตี่บนเฟยบังมือถือยันหอกาดักอยู่ท่าดาแตงตาเล็งแยงสั้นส่งหืดนางเดือร้องสัญญาเนื้อดงนาเถือนทองฟังนางเนื้อร้องเป็นไม้ ก็พันพายมาสู่ไม้ได้จืนสู่ยินดีพรานดงรีบอจ้าสัตว์หอกาไปปั่นเนือดงตันตัวถอยใจจ้องห้อยตันหาก็โมรณนาคอยกาจีวิตขาตายไปบ่สมใจไฟเอื้อคือบ่ได้นังเนื้อดังไมย หอกคมภายนันเล่าคือปู่เทาเกวัตอาจารย์พรานใจหันป่าเต้าคือเต้าเจ้าจุลนีนางเนื้อดีผูกไว้คือนางนัดไทยราชจจธิดาเนื้อดงนาตัวปู่อันบ่หูใบายเล่นมาตายความนาคือเจ้าฟ้าเรารา อุปปามาแถมเหล่าพรานเบ็ดบาปเศร้าจังไรมันมีใจใครได้ยังป่าไนในวังจริงเอายังเบ็ดไนก็เหนื่อไว้บัดเดียวสัตว์ไปเร็วจู่ล่อปลาใจหม้อมะหันก็ภายพันเข้าไก่กาบเหนื่อไว้บัดเดียวพรานเบ็ดเร็วบ่อจารล่าขึ้นมาค่าเป็นอาหาร ร้านสามัญ น, นั้นเล่าคือเต้าเจ้าจุนลนีเบ็ดแขวนดีนั่นใส่คือเกวัดใหญ่อาจารย์เหยื่ออาหารจุหลอคือนางน้อยนอนรีปากาลีหันเหยื่อเต้าไฟเอือจักกินบ่อจินคือตรอดว่าจักมวยหมอดเมื่อม้อนคือเต้าผูทรเจ้าจ้างภาพเมืองกว้างเรารา <c oughs> <c oughs> อุ้มปามานิสัยบ่อหอนได้พิพันฆ่าเล้งหันแจ้งที่บ่มีที่สังกาขอมาหาราชเจ้า <c oughs> ตนเป็นปิ่นเก่าเวียงใจยาวางใจพระมาทดังคาพระบาททุนสายาไกลก า, กาิภาวไปสู่ดาวปัญจาลานกร จักบอได้จอนปิกปอกวายนาออกขึ้นหลังเต้าไดฟังเจ้ากล่าวร้อนพระเผาปั่นไฟโก้ท่าไหนโคตรไม่ย่ <c oughs> อนตกอยู่ไต้กามากุนตันหานุนมืดบอดบอ่กิดรอดหันตั้งด่าเจ้าบุญขวางหยดซอยมีบ่โน่นน า, นา ว่าสันใดจ้ามึงก่าวกำหาาัดเท้าจังไรเอากูไปเพียบไว้กับสั์ป่าไม่ดงนาเพียบกับป่าแม่กวางกูเป็นเจ้าจ้างสเสวยเมืองยะสะเรืองลายหลากจูผู้หากเล้งหันมึงไข่ปันเกาวจี้บอแมนตี้ดีลี เป็นกำหานี้จะถอยบ่แม่นถอยมงกลร้อยคอยตนกูเต้าจักได้เน่าสาวงามกูลองทำจะกไายป้อยว่าไราปันไมยมึงเป็นใจบ้านนอกอยู่ข้างคองเกียงใจถือแต่กันไทยนักใหญ่หูแต่กันให้กันหน้าส่วนการพาญาเจ้าจ้างบ่ไฟอ้างจักหัน ผาญาบ่อตันเจ้าหมู่บ่ออาทูอาการส่วนอาจารย์ตั้งสีหูแจ้งทีเดินมาส่วนกันผาญาหน่อยใหญ่จบแจ้งไขจูอันอันเขาหันตันจู่ฟูว่ากูกวรไปสโซตระปัญจาลนากรน้ำสรีบางอ่อนนอเน่ามาเป็นเก้าเทวี มึงไข่วาตีต้านกล่าวห้ามกูเต้าพันภายโจกลาบกายมาไก่มึงห้ามไว้ดีลีเจ้าปูรีวิเตหราชดาเจ้าน้อยนาหนอปุทิยานลายภากานบ่อน้อยย้อนใจจ้องห้อยกามากุณ ตันหาหนุนมืดบอดบอกคือดรอต่างว้แล้วบอกคนหลายมวนหมู่กาอันอยู่โรงกันว่าจุงก ร, รมขอมันจักลากออกไปจากเวียงใจือเรียวไวปิกปอกไปอยู่บ้านน อ, อกเดิมอ้อนเต้าฟูทอนที่ราชโคตรขนาดนำนา บอกได้จ่าแจ้งแน่บอกคือแก่คนได้จริงบอมีไผ่จักอาจเนี่ยตามราชเจ้องค์การตั้งโยธาหารหนุ่มเน่าย่อมฮักเจ้าเนื้อลายไผบอกไมยเข้าใจเนี่ยตามเต่าไทยไข่ปันรอคุณท่านหนุ่มเนาก่อคืดเหล่าคันิงใน ว่ากันคนได้รีพาวเนี่ยตามเต้าปันหมายความละอายหลยแหล่เตียงเกิดแก่ตนกูกำถึงหูไผ่ใต้จักเดือดไม่เหลือลายความละอายนี่เล่าจักติดต่อเต้าเมือ่อมอนเต้าฟูทอนนี่ใส่มีกุญใหญ่นนำได้ไข่กำหยาบจ้า ด่าต่อนาคนหลายย้อนใจหม่ใครใดยังหลวงเตาไทยจุลนีใจบอดีกังไก่ตกอยู่ใต้ตันหามีดวงตามืบดบอดบ่ือตรอตั้งไหวดา่าผ้าภายหลายแลว่วาอแกต่ตนกูกวนอินดูเตาไทยช่วยเฮ้ใดสดสดี ได้สะเวย่ยปุรีเมืองกวางเป็นเจ้าจ้างนานไปกันข้านิ่งในเมียนแล้วเจ้าหนอแก้วบุญ น, นาก็รีบลาละภาคลงไปจากขอจันและอภัยพันขึ้นสูญยังตี้อยู่เฮือนตนก็มีวันนั้นเลยนะ เนตตังขี้าสังวันาาวิเศษจาห้องเหตุมหโหสถผูกสิแปปางเจ้าแวรดกฎหมายจักคงควายจุยเต้าตนภาพดาวปาราฮือปนมารนามวยหมอดรอดบ่รอดสันได้ก้อยฟังไปเติมแทงจักหูแจงไปลนุ้นก่อบังกุมสมริด เสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแล้ว